ขอโอกอาสทำบุญและแบ่งบุญนะถึงบุญที่เราทำตอนต้นเราได้เจริญภาวนาวด้วยการสวดมนต์ได้สันเสริญพุทธคุณแล้วก็สมาทานศีลกันได้มาฟังธรรมได้มาถวายเครื่องปัจจัยต่างๆบุญเหล่านี้เป็นบุญที่เกิด ขึ้นแล้วกับเราแล้วเราก็จะคิดที่จะแบ่งบุญนั้นให้กับผู้อื่นด้วยความคิดที่จะแบ่งบุญนั้นก็เป็นบุญอีกตัวหนึ่งผู้ใดที่มารับรู้แล้วก็อนโมธนา mm hmm. เขาก็ได้ทาบุญของเขา mm hmm. คือได้มายินดีในบุญที่เราอุทิศให้ mm hmm. การอุทิศให้ก็เริ่มต้นจากการนึกถึงบุญของตัวเองก่อน mm hmm. เห็นเห็นคุณความดีที่เราได้ทำแล้วมีความดีใจ ดีใจเปนอย่างนี้แล้วนึกถวายเป็นเครื่องสการะแด่พระพุทธเจ้าถวายแด่พระธรรมถวายแด่พระสงฆ์เราได้รู้จักวิธีทําบุญอย่างนี้ด้วยพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมธรรมนั้นถูกรักษามาโดยพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ ส, งสาวกทั้งหลายรักษาคําสอนของพระองค์มาเป็นพันๆปีมาถึงพวกเราทุกวันนี้ได้ เราไ ด, ได้เรียนรู้วิธีการทำบุญต่างๆจากพระรัตนตรยัยเมื่อทำแล้วก็นำลึกถึงบุญคุณของท่านถวายเป็นเครื่องสักการะถวายให้กับคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาตั้งในทางโลกและทางธรรมถวายเป็นเครื่องสักการะแด่ผู้ทรงธรรมต่างๆเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรม แห่งแผ่นดินไทยผู้เป็นแบบอย่างและเป็นศาสนาประถมพกคําจุนพุทธศาสนาให้ดํารงมั่นอยู่ในประเทศไทยเราเป็นผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยในแผ่นดินนี้ได้รับอนิสง์จากการอุปถัมภ์ศาสตร์พระาาศาสนาของพระองค์ขออุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ถวายอย่างนี้แล้วก็อุทิศให้กับผู้มีพระคุณของเรา ในชาตินี้คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ในชาตินี้แล้วก็นึกตลอดไปจนถึงคุณพ่อคุณแม่ในอดีตชาตินึกกว้างออกไปถึงญาติผู้เคยอุปถัมภ์คำจุนทั้งในชาตินี้และอดีตชาติทุกๆชาตินึกถึงผู้ที่เราเคยล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ปรมาผาดพลังล่วงเกินท่านใดไปขอบุญกุศลครั้งนี้เป็นเครื่องทดแทนความผิดพลาดในอดีตที่เราเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายเหล่านั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่เราเคยล่วงเกินไปแล้วจงมารับรู้ความสำนึกผิดและมาอนุโมทนาบุญที่เราอุทิศให้และแม้คนอื่นที่เคยล่วงเกินเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราเคยผูกโกรธผูกอาฆาตกับใครไว้ขอโอกาสนี้ยกโทษให้ให้อภัยกับ ทุกคนที่เคยล่วงเกินเราแผ่ส่วนบุญไปถึงเหล่าเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดีรักษาแผ่นดินนี้รวมทั้งพระแม่โทรณีเทพพญดาทั้งหลายที่มีพระคุณกับเราอุทิศให้กับเทพพญดาหลังนั้นแผ่ออกไปไม่มียบประมาณกับสัตว์โลกทั้งหลาย สัตว์ใดที่รับรู้อยู่ว่าเราทําบุญและอุทิศให้นี้จงมานุโมทนาและเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุกติสัตว์ใดที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปพวกเราทั้งหลายก็จะตั้งใจที่จะทําบุญแล้วก็ฟังธรรมนามาปรเพื่อปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงในจิตใจพัฒนาจนถึงมรรคผลนิพพานของแต่ละคนขออนุโมทนา ยาตาวิวหาปุราปริปุเรนทิสาคารังห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุดสากรให้บาริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวไวโตที่นังเปตานังอุปกำปติ ati, ทานที่ทานอุทิตในแล้วในโลกนี้ย่อมสําเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังขอให้ตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว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 องมีแก่ท่านทุกเมื่อ